เเมตสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตาจิตภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขเราย่อมรู้ชัดว่าบุญที่เราทำแล้วตลอดกาลนานมีผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอันเราสวยมาแล้วตลอดกาลนาน เราจเจริญเมตตาจิตตลอดเจปีไม่ได้กลับมาสู่โลกนี้อีกตลอดเจ็ดสังวัตกับและวิวัตกับภิกษุทั้งหลายเมื่อโลกเสื่อมเราเข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภาัสรเมื่อโลกจเจริญเราเข้าถึงพรห ม, มวิมานอันว่างเปล่าภิกษุทั้งหลายในพรห ม, มวิมานนั้นเราเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ครอบงำไม่ใช่ถูกใครๆครครอบงำเป็นผู้เห็นแน่นอนมีอำนาจ เราได้เป็นเท้าศักกะผู้เป็นจอมเทพถึง36ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชามีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะสงครามมีชนบทที่ถึงความมั่นคงประกอบด้วยรัตนเจประการตั้งหลายร้อยครั้งเรานั้นมีรัตนเจตประการนี้คือ 1. จักรแก้วสองช้างแก้วสมม้าแก้ว สีมณีแก้ว 5. นางแก้ว 6. คข้าปดีแก้ว 7. ขุนพลแก้วเราเคยมีบุตรมากกว่าพันคนล้วนแต่เป็นคนกล้าหาญชาญชัยย่ำดีค่าศึกได้เรานั้นปกครองแผ่นดินนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศัตราจงดูวิบากแห่งบุญกุศลของบุคคลผู้สแสวงหาความสุข ภิกษุทั้งหลายเราเจริญเมตตาจิตมาเจ็ดปีไม่มาสู่โลกนี้อีกตลอดเจสังวรตกรรและวิวัตกรรเมื่อโลกเสื่อมเราเข้าถึงพรหมโลกชั้นอภัสระเมื่อโลกเจริญเราเข้าถึงพรหมวิมานอันว่างเปล่าในการนั้นเราเป็นมหาพรหมผู้มีอำนาจถึงเจครั้งเป็นเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพเสวยเทพผสมบัติ36ครั้ง เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เป็นใหญ่แห่งชนชาวชมพูทวีปเป็นกษัตริย์ทิราชผู้ได้รับมรทาพิเศษเป็นใหญ่ในหมู่มนุษย์ปกครองปัตภีมนทนนี้โดยไม่ต้องใช้อาชญยาไม่ต้องใช้ศาสตร์สั่งสอนคนในปัตภีมนทนนั้นโดยธรรมสม่ำเสมอไม่ผุ้ล้ํพลั น, ลนครั้นได้ครองราชสมบัติในปัตภีมนทนนี้โดยทรรแล้วได้เกิดในตระกูลมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพกสมบัติมาก พีบพร้อมด้วยรัตนเจ็ประการที่อำนวยความประสงค์ได้ทุกอย่างฐานะนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงสงเคราะห์โลกทรงแสดงไว้ดีแล้วเหตุที่เขาเรียกว่าเจ้าแผ่นดินก็เพราะเป็นใหญ่เราเป็นพระราชาผู้เรืองเดชมีทรัพย์อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจมากมายมีฤทธิ์มียศเป็นใหญ่แห่งชนชาวชมพูทวีปใครเล่าได้ฟังแล้วจะไม่เลื่อมใส แม้ชนชั้นคันหาพิชาติเพราะฉะนั้นแลผู้มุ่งประโยชน์มุ่งความเป็นใหญ่เมื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเคารพศัตวธรรมเถิดเมตสูตรที่เกจบ พริยาสูตรว่าด้วยพัญญาครั้งนั้นและในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของอนาถเบนิกะข้าพเดี๋ยแล้วประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้แล้วสมัยนั้นแหละในนิเวศของอนาถเบนิกะข้าพเดีมีเหล่ามนุษย์ส่งเสียงดังอื้ออึง อนาถบิณกะข้าบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรถามอนาถบิณกะข้าบดีดังนี้ว่าข้าบดีเหตุไรหนอเหล่ามนุษย์ในนิเวศของท่านจึงส่งเสียงดังอื้ออึงเหมือนชาวประมงแย่งปลากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางสุชาดานี้ข้าพระองค์พามาจากตระกูลมั่งคัง่ง เป็นสะพายในเรือนนางไม่เชื่อฟังแม่ผัวไม่เชื่อฟังพ่อผัวไม่เชื่อฟังสามีแม้แต่พระผู้มีพระภาคนางก็ไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกนางสุชาดาหญิงสะพายในเรือนมาตรัสว่ามานี่สุชาดานางสุชาดาหญิงสะพายในเรือนทูลรับสนองพระํารัสแล้ว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 พัญยาดุดมารดา 5. ้พัญญาดุดพี่สาวน้องสาว 6. กพัญญาดุดเพื่อน 7. จพัญญาดุดทาสีสุชาดาพัญญาเจ็ดจำพวกนี้แหลบรรดาพัญญาเจ็ดจำพวกนั้นเธอเป็นพัญญาจำพวกไหนนางสุชาดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หมอมฉันไม่เข้าใจความหมายแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้อย่างพิดารขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรยทรงสแสดงธรรมแก่หมอมฉันโดยวิธีที่หมอมฉันจะเข้าใจความหมายแห่งพระภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อนี้ได้อย่างพิดารพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสุชาดาถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว นางสุชาดาหญิงสะพยในเรือนทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าพัญญาใดคิดประทุษร้ายเมื่อเกลื้อกูลอนุเคราะห์ยินดีต่อชายเหล่าอื่นดูหมิ่นสามีเป็นหญิงที่เขาซื้อมาด้วยทรัพย์พยายามฆ่าสามีพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดเพชฌฆาตพัญญาใดมุ่งจะยักยอกทรัพย์แม้มีจานวนน้อย ทีสามีประกอบศิลป ก, กรรมพานิชยกรรมและประสิกรรมได้มาพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดนางโจรพัญญาใดไม่สนใจการงานเกลียดคร้านกินจุหยาบคายดุร้ายมักพูดคําชั่วหยาบขมขี่สามีผู้ขยันมั่นเพียนพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดนายหญิงพัญญาใดเป็นผู้เ ก, กลื่อนกูลอนุเคราะห์ทุกเมื่อ คอยธนุถนอมสามีเหมือนมารดาคอยธนุถนอมบุตรรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้พัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดมารดาพัญญาใดเป็นเหมือนพี่สาวน้องสาวมีความเคารพในสามีของตนมีใจละอายต่อบาปประพฤติคล้อยตามอำนาจสามีพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดพี่สาวน้องสาว พัญญาใดเห็นสามีแล้วชื่นชมยินดีเหมือนเพื่อนเห็นเพื่อนผู้จากไปนานแล้วกลับมาเป็นหญิงมีตระกูลมีศีลมีวัดปฏิบัติต่อสามีพัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุดเพื่อนพัญญาใดถูกสามีขู่จะฆ่าจะเคี่ยนตีก็ไม่โกรธ ส, สงบสงี่ยมไม่คิดขุนเคืองสามีอดทนได้ไม่โกรธประพฤตคล้อยตามอำนาจสามี พัญญาเช่นนี้เรียกว่าพัญญาดุษทาสีพัญญาใดในโลกนี้ที่เรียกว่าพัญญาดุจเพชฆาตพัญญาดุจนางโจรและพัญญาดุจนายหญิงพัญญานั้นเป็นผู้ทุศีลหยาบคายไม่เอื้อเฟื้อเมื่อตายไปย่อมไปสู่นรกส่วนพัญญาใดในโลกนี้ที่เรียกว่าพัญญาดุจมารดาพัญญาดุจพี่สาวน้องสาวพัญญาดุจเพื่อน พัญญาดุธาสีพัญญานั้นเพราะเป็นผู้ตั้งอยู่ในสียินดีและสำรวมมานานเมื่อตายไปย่อมไปสู่สุขติโลกสวรรค์สุชาดาพัญญาเจ็จำพวกนี้แหลบรรดาพัญญาเจ็ดจำพวกนั้นเธอเป็นพัญญาจำพวกไหนนางสุชาดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำม่อมฉันไว้ว่าเป็นพัญญาดุษฎาสีภริยาสูตรที่สิบจบสิบเอ็ดโกทะนสูตรว่าด้วยบุคคลผู้มักโกรธ ภิกษุทั้งหลายทำเจ็บประการนี้ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำรรย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามทำเจ็บประการอะไรบ้างคือหนึ่งศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้มีผิวพรรณสามเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีผิวพรรณงามภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้อาบน้าดีแล้วไล่ทาดีแล้วตัดผมโกนหนวดแล้วนุ่งผ้าขาวก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นก็เป็นคนมีผิวพันซามอยู่นั่นเองนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทําอศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่า ขอให้เจ้าคนนี้นอนเป็นทุกเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูนอนสบายภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้นอนอยู่บนเตียงมีเท้าเป็นรูปสัตว์ร้ายลาดด้วยพรมขนสัตว์ลาดด้วยเครื่องลาดมีลายรูปดอกไม้มีเครื่องลาดหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนสองข้างก็จริง แต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นก็นอนเป็นทุกข์อยู่นั่นเองนี้เป็นธรรมประการที่สองที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำสามศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้อย่าได้มีความเจริญเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีความเจริญภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำ โกรธจัดนี้แม้ได้ความเสื่อมก็เข้าใจว่าตนได้ความเจริญแม้ได้ความเจริญก็เข้าใจว่าตนได้ความเสื่อมทำเหล่านี้เป็นค่าศึกต่อกันและกันที่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นยึดถือแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เลื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานนี้เป็นธรรมประการที่สามที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำรม่ 4. ศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มีโภคทรัพย์เถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมีโภคทรัพย์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำ ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธทรรมก็จริงแต่พระราชาก็รับสั่งให้ริบโภัพย์ของบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนี้เป็นธรรมประการที่สี่ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำห้าศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มียศเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูมียศภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มักโกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้มียศที่ได้มาด้วยความไม่ประมาทก็จริงแต่บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำก็เสื่อมจากยศนั้นนี้เป็นธรรมประการที่หที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำ ร, รมศัตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อศัตรูอย่างนี้ว่าขอให้เจ้าคนนี้เป็นคนไม่มีมิตรเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะสตรูย่อมไม่ยินดีให้สตรูมีมิตรภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้แม้มีมิตรอมาตญาติสาโลหิตก็จริงแต่คนเหล่านั้นก็พากันหลีกเลี่ยงบุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำนั้นไปห่างไกลนี้เป็นธรรมประการที่6ที่สตรูมุ่งหมายที่สตรูพึงทำเจ็ตรูในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อสตรูอย่างนี้ว่า ขอให้เจ้าคนนี้หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตในรกเถิดข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะศัตรูย่อมไม่ยินดีให้ศัตรูไปสู่สุคติภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำโกรธจัดนี้ประพฤติทุจริตทางกายประพฤติทุจริตทางวาจาประพฤติทุจริตทางใจหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตในรก นี้เป็นธรรมประการที่เจ็ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำภิกษุทั้งหลายทำเจ็บประการนี้แลที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามบุคคลผู้มักโกรธนั้นมีผิวพันธ์ามนอนเป็นทุกข์ได้ความเจริญแล้วก็ยังถึงความเสื่อมบุคคลผู้มักโกรธถูกความโกรธครอบงำ ทำการเข็นฆ่าทางกายวาจาย่อมประสบความเสื่อมทรัพย์บุคคลผู้มัวเมาด้วยความมัวเมาเพราะโกรธย่อมถึงความเสื่อมยศญาติมิตรและสหายย่อมหลีกเว้นบุคคลผู้มักโกรธความโกรธก่อความเสียหายความโกรธทำจิตให้กำเริบบุคคลผู้มักโกรธย่อมไม่รู้ภัยที่เกิดจากภายในบุคคลผู้โกรธย่อมไม่รู้อัด บุคคลผู้โกรธย่อมไม่เห็นธรรมความโกรธครอบงำนรชนในการใดความมืดย่อมมีในการนั้นบุคคลผู้โกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ง่ายภายหลังเมื่อหายโกรธแล้วเขาย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้บุคคลผู้โกรธย่อมแสดงความเกลือยยากก่อนเหมือนไฟแสดงควันก่อนความโกรธเกิดขึ้นในการใด คนทั้งหลายย่อมโกรธในการนั้นบุคคลผู้โกรธไม่มีหิริไม่มีโอตปะไม่มีคำพูดที่น่าเคารพ บ, บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำไม่มีความสว่างแม้แต่น้อยกรรมเหล่าใดห่างไกลาจากธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อนเราจะบอกกรรมเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นไปตามลำดับบุคคลผู้โกรธฆ่าบิดาก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่ามารดาก็ได้ บุคคลผู้โกรธฆ่าพราหมณ์ก็ได้บุคคลผู้โกรธฆ่าปุถุชนก็ได้ลูกที่มารดาเลี้ยงไว้จนได้ลืมตามองโลกนี้เป็นผู้มีกิเลสนาะโกรธขึ้นมาย่อมฆ่าแม้มารดาผู้ให้ชีวิตนั้นสัตว์เหล่านั้นมีตนเป็นเครื่องเปรียบเทียบเพราะตนเป็นที่รักอย่างยิ่งผู้โกรธหมกมุ่นในรูปต่างๆย่อมฆ่าตนเองเพราะเหตุต่างๆคือฆ่าตนเองด้วยดาบ้าง กินยาพิษตายบ้างใช้เชือกผูกคอตายบ้างกระโดดลงในซอกเขาตายบ้างคนเหล่านั้นเมื่อทํากรรมอันมีแต่ความเสื่อมและทําลายตนก็ไม่รู้สึกความเสื่อมเกิดจากความโกรธตามที่กล่าวมาความโกรธนี้เป็นบ่วงแห่งมัจจุมีทถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยโดยรูปของความโกรธพึงตัดความโกรธนั้นด้วยธรรมะความขมใจ คือปัญญาความเพียรและทิฏฐิบัณฑิตพึงตัดอากุศลธรรมแต่ละอย่างพึงศึกษาในธรรมเหมือนอย่างนั้นเธอทั้งหลายปรารถนาอยู่ว่าขอความเป็นผู้เ ก, อก้อยากอยาได้มีแก่เราทั้งหลายบุคคลผู้ปราศจากความโกรธไม่มีความขับแค้นใจปราศจากความโลภไม่มีความริษยาฝึกฝนตนแล้วละความโกรธได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสะวะ ปรินิพานโกธนะสูตรที่11อจบอพยากตะวักที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อพยากตะสูตร 2. ปุริสาคติสูตร 3. ดิสสะพรห ม, มสูตร 4. สีหเสนาปติสูตร 5. อาอรักเคยสูตร 6. ขิมิลสูตร 7. สัตตะธรรมสูตรแปดเจปะลายะมานสูตรเก้าเมตสูตรสิบภริยาสูตรสิบเอ็ดโกธนะสูตรเจ็ดมหาวัฏ หมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่ 1. หนิริโอตปะสูตรว่าด้วยผลแห่งหิริและโอตปะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อหิริและโอตปะไม่มีอินเรียสังวรของบุคคลผู้มีหิริและโอตปะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่ออินเซียสังวรไม่มีศีลของบุคคลผู้มีอินทซียสังวรวิบัติ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 เมื่อหิริและโอตตะปะไม่มีอินรียสังวรของบุคคลผู้มีหิริและโอตตะปะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วละถึงวิมุติยานทัศนะของบุคคลผู้มีนิพพทาและวิราคาวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเมื่อหิริและโอตตะปะมีอินสียสังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตะปะ ชื่อว <that> <st> ่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่ออินเสียสังวรมีศีลของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอินเสียสังวรชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อศีลมีสัมมาสมาธิของบุคคลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียะถาภูตยานัทสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ เมื่อยถาภูตยานัทสนะมีนิพพิธาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตยานัทสนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพพิธาและวิราคะมีวิมุติยานัทสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิธาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สเกตเปลือกกระพี้ แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อหิริและโอตตะปะมีอินทรียสังวรของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและอตตะปะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ละถึงวิมุติยานทัศนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพาและวีราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์ชั้นนั้นเหมือนกันหิริโอตตะปะสูตรที่หนึ่งจบ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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสภาวะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นข้อกําหนดควรเบื่อน่ายควรคลายําหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงภิกษุทั้งหลายคุนเขาสิเนรุยาว8ปดหมื่นสพันโยธกว้าง8ปดหมื่นสันโยธอย่างลงในมหาสมุทรแปดหมื่นพันโยธ สูงจากมหาสมุทรขึ้นไป 84,000 โยดมีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนานบางครั้งบางคราวฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีเมื่อฝนไม่ตกพีชคามภูตะคามและตินชาติที่ใช้เข้ายาป่าไม้ใหญ่ย่อมเฉาเหี่ยวแห้งเป็นอยู่ไม่ได้ฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เป็นสภาวะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นข้อกำหนดควรเบื่อน่ายควรคลายกำนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงมีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนานบางครั้งบางคราวมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแม่น้ําน้อยหนองน้ําทุกแห่งระเหยเหือดแห้งไม่มีน้าฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้น เป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงมีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนานบางครั้งบางคราวมีดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆคือคงคายมุนาอาจิราวดีสรภูมหีทุกแห่งระเหยเหือดแห้งไม่มีน้ำฉันใดสังขารทั้งหลายข้อฉันนั้น เป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงมีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนานบางครั้งบางคราวมีดวงอาทิตย์ดวงที่สปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏแหล่งน้ำใหญ่ที่เป็นแดนไหลมารวมกันของแม่น้ำใหญ่ๆเหล่านี้คือสะอนโนดาตสะศีหาปาตะสะรัการะสะกันนมุทะสะกุนาลา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 สองรอยโยต์ก็ดีสามร้อยโยต์ก็ดีสี่ร้อยโยต์ก็ดีห้าร้อยโยต์ก็ดีหกร้อยโยต์ก็ดีเจ็ดร้อยโยต์ก็ดีงวดลงเหลืออยูย่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลก็มีหกชั่วต้นตาลก็มีห้าชั่วต้นตาลก็มีสี่ชั่วต้นตาลก็มีสามชั่วต้นตาลก็มีสองชั่วต้นตาลก็มีชั่วต้นตาลเดียวก็มี เหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วคนหชั่วคนห้าชั่วคนสี่ชั่วคนสามชั่วคนสองชั่วคนชั่วคนเดียวชั่วครึ่งคนเพียงเอวเพียงเข่าเพียงแค่ข้อเท้าภิกษุทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรยังเหลืออยู่เพียงในรอยเท้าโคในที่นั้นๆเปรียบเหมือนในฤดูแง้งเมื่อฝนเม็ดใหญ่ๆตกลงมา น้ำเหลืออยู่ในรอยเท้าโคในที่นั้นๆฉะนั้นเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรแม้เพียงข้อนิ้วก็ไม่มีชั้นใดสังขารทั้งหลายก็ชันนั้นเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงมีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนานบางครั้งบางคราวมีดวงอาทิตย์ดวงที่หปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่หปรากฏ แผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุย่อมมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายนายช่างหม้อเผาหม้อที่เขาปั้นดีแล้วย่อมมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นฉันใดภิกษุทั้งหลายเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุย่อมมีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นฉันนั้นสังขารทั้งหลายข้อชันนั้นเป็นสภาวะไม่เที่ยง ละถึงควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงมีสมัยที่เวลาผ่านไปยาวนานบางครั้งบางคราวมีดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏเพราะดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุเกิดไฟลุกโชนมีแสงเพลิงเป็นอันเดียวกันเมื่อแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาพลานอยู่เปเลวไฟถูกลมพัดขึ้นไปจนถึงโพรโมโลก เมื่อขุนเขาสินเนรุถูกไฟเผาไหม้กำลังพินาศถูกกองเพลิงใหญ่เผาทั่วตลอดแล้วยอดเขาแม้ขนาดร้อยโยต์สองรอยโยต์สามร้อยโยต์สี่ร้อยโยต์ห้ารยย้ยโยต์ย่อมพังทลายเมื่อแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาซินเนรุถูกไฟเผาพลานอยู่ขี้เท้าและขเมาย่อมไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายเมื่อเนยใสหรือน้ำมันถูกไฟเผาพลานอยู่ ขี้เท่าและขมเอาย่อมไม่ปรากฏฉันใดเมื่อแผ่นดินใหญ่นี้และขุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาพลานอยู่ขี้เท่าและขมเมาก็ย่อมไม่ปรากฏฉันนั้นสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาวะไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นข้อกําหนดควรเบื่อน่ายควรคลายกําหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงในข้อนั้นใครเล่าชื่อว่าเป็นผู้รู้ ใครเล่าชื่อว่าเป็นผู้เชื่อว่าแผ่นดินใหญ่นี้และคุนเขาสิเนรุถูกไฟเผาพลานพินาศไม่เหลืออยู่นอกจากอริยสาวกผู้มีบทอันเห็นแล้วภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วครูชื่อสุเนตะเป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในการทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลาย เพื่อความเป็นผู้เกิดร่วมกับเทวดาชั้นพรหมโลกและเมื่อครูสุนเนตตะแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดร่วมกับเทวดาชั้นพรหมโลกเหล่าสาวกผู้รู้ชัดคำสอนอย่างดียิ่งหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติพรหมโลกส่วนเหล่าสาวกผู้ไม่รู้ชัดคำสอนอย่างดียิ่งหลังจากตายแล้วบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นปรณิมิตวสวสดี บางพวกได้ไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นนิมมาเนรดีบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นดุสิตบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับเทวดาชั้นจาตุมหาราชบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับคติยะมหาราลบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับพรามณามหาศาลบางพวกได้ไปเกิดร่วมกับ้าบดีมหาศาลครั้งนั้นแหลครูสุเนตตะได้มีความคิดอย่างนี้ว่า การที่เรามีคติในสัมปรยภพเสมอเหมือนกับเหล่าสาวกไม่สมควรเลยทางที่ดีเราควรเจริญเมตตาให้ยิ่งขึ้นต่อจากนั้นครูสุนเนตตะได้เจริญเมตตาจิตตลอดเจปีแล้วไม่มาสู่โลกนี้ตลอดเจ็สังวัตกับและวิวัตกับภิกษุทั้งหลายเมื่อโลกเสื่อมครูสุนเนตตะเข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภาสระ เมื่อโลกเจริญครูสุเนตตะเข้าถึงพรห ม, มวิมานอันว่างเปล่าภิกษุทั้งหลายในพรห ม, มวิมานนั้นครูสุเนตตะเป็นพรหมเป็นมหาพรหมเป็นผู้ครอบงำไม่ใช่ถูกใครๆครครอบงำเป็นผู้เห็นแน่นอนมีอำนาจครูสุเนตตะได้เป็นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพถึงส6สหกครั้งได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ทรงธรรมเป็นธรรมราชา มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตเป็นผู้ชนะสงครามมีชนบทที่ถึงความมั่นคงประกอบด้วยรัตนเจตประการตั้งหลายร้อยครั้งครูสุเนตะเคยมีบุตรมากกว่าพันคนล้วนแต่เป็นคนกล้าหาญชานชัยย่ำยีข้าศึกได้ครูสุเนตะนั้นปกครองแผ่นดินนี้อันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชญยาไม่ต้องใช้ศัตรา ภิกษุทั้งหลายครูสุเนตนั้นเป็นผู้มีอายุยืนนานอย่างนี้เป็นผู้ดำรงอยู่ได้นานอย่างนี้แต่ก็ไม่พ้นจากชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุบายาตเราจึงกล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทำสี่ประการทาสี่ประการอะไรบ้างคือหนึ่ง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 เราได้รู้แจ้งแทงตลอดอริยวิมุตติเราถอนภาวะตันหาได้แล้วภาวะเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตสาสดาได้ตรัสเวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระโคโดมผู้มียศตรัสรูธ้ธรรมเหล่านี้คือศีล ส, สมาธิปัญญาและวิมุตติอันยอดเยี่ยม ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อความรู้ยิ่งพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงธรรมที่สุดแห่งทุกข์ปรินิพานแล้วสัตสุริยสูตรที่สองจบสาม นักรโรประมะสูตรว่าด้วยทำเปรียบด้วยเครื่องป้องกันนครภิกษุทั้งหลายในการใดปัจจันตะนะครเมืองชายแดนของพระราชาเป็นนครที่ป้องกันไว้ดีด้วยเครื่องป้องกันนครเจ็ประการและได้อาหารสี่อย่างตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในการนั้นเราจึงเรียกปัจจันตะนะครของพระราชานี้ว่า สัตรูหมู่ปัญญามิตรภายนอกทำอะไรไม่ได้ปัจจันต น, นครชื่อว่าป้องกันดีด้วยเครื่องป้องกันนคร์เจ็บอาการอะไรบ้างคือ 1. ปัจจันต น, นครของพระราชามีเสารเนียรขุดหลุมฝังลึกไว้เป็นอย่างดีไม่วันไว้ไม่คลอนแคลนปัจจันต น, นครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอก ดยเครื่องป้องกันกนครประการที่หนึ่งนี้ 2. ปัจจันต์นครของพระราชามีคูลึกและกว้างปัจจันต์นครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกดยเครื่องป้องกันนครประการที่สองนี้ 3. ปัจจันต์นครของพระราชามีทางเดินได้รอบทั้งสูงและกว้าง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 ด้วยเครื่องป้องกันก น, นครประการที่สนี้ 5. ปัจจันตนครของพระราชามีคกองพลตั้งอาศัยอยู่มากคือพลช้างพลมา้าพลรถพลธนูหน่วยเชิญธงหน่วยจักรบวนทัพหน่วยพ ร, ราธิการหน่วยเสนาธิการหน่วยจู่โจมหน่วยทหารหานหน่วยกล้าตายหน่วยทหารเปราะหนังหน่วยทหารธาต ปัจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภายในและป้องกันอันตรายภายนอกด้วยเครื่องป้องกันนครประการที่ห้านี้ 6. ปัจจันตนครของพระราชามีทหารยามฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาคอยกันคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าไปให้คนที่รู้จักเข้าไปปัจจันตนครของพระราชาชื่อว่าป้องกันดีเพื่อคุ้มกันภายใน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 อาหารสี่อย่างที่ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลําบากอะไรบ้างคือ 1. ปัจจันตนครของพระราชานี้มีการสะสมหญ้าไม้และน้ําไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ภาสุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 2. ปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมข้าวสาลีและข้าวเหนียวไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่พาสุก ข, ของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 3. ปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมอัปรรนชาตคืองาถั่วเขียวถั่วทองไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัว เพื่อความอยู่พาศุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 4. ปัจจันตนคคของพระราชามีการสะสมเพศัชคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือไวมากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่พาศุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลาย อาหารสี่อย่างนี้แหลที่ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุทั้งหลายในการใดปัจจันตนครของพระราชาเป็นนครป้องกันไวด้ดีด้วยเครื่องป้องกันนครเจ็ประการนี้และได้อาหารสี่ประการนี้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในการนั้นเราจึงเรียกปัจจันตนครของพระราชานี้ว่า ศัตรูหมู่ปัญจามิตรภายนอกทำอะไรไม่ได้ภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันในการใดอริยสาวกประกอบด้วยสัทธรรมเจประการและได้ฌานสี่ประการอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในการนั้นเราจึงเรียกอริยสาวกนี้ว่ามารมีบาปก็ทาอะไรไม่ได้ อริยสาวกประกอบด้วยสัตยธรรมเจตประการอะไรบ้างคือ 1. อริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาคือเชื่อปัญญาเครื่องตัสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีเสาเรเนียดขุดหลุมฝังลึกไว้เป็นอย่างดีไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลน เพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาเหมือนสาวรเนียย่อมละอกุศลเจริญกุศลและธรรมที่มีโทษเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยสาวกประกอบด้วยสรัทธรรมประการที่หนึ่งนี้ 2. อ, อริยสาวกเป็นผู้มีหิริคือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ละอายต่อการประกอบบาปอากุศลธรรมเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีคูลึกและกว้างเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีหิริเหมือนคูย่อมละอกุศลเจริญกุศลและธรรมที่มีโทษเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยสาวกประกอบด้วยสัตธรรมประการที่สองนี้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 ย่อมละอกุศลเจริญกุศลละธรรมที่มีโทษเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยสาวกประกอบด้วยสัตวธรรมประการที่สนี้ 4. อริยสาวกเป็นพระหูสูรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฐิเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมอาวุธไว้มากทั้งที่เป็นอาวุธแหลมยาวและอาวุธมีคม เพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีสุตตะเหมือนอาวุธย่อมละอกุศลเจริญกุศลและทำที่มีโทษเจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยสาวกประกอบด้วยสัตยธรรมประการที่4นี้ 5. อริยสาวกเป็นผู้ปรารบความเพียนเพื่อละอกุสนลธรรมเพื่อให้กุสนลธรรมเกิด มีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่เปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีกองพลตั้งอาศัยอยู่มากคือพลช้างพลมา้าพลรถพลธนูหน่วยเชิญธงหน่วยจักรโบนทัพหน่วยพลาธิการหน่วยเสยนาธิการหน่วยจู่โจมหน่วยทหารหานหน่วยกล้าตายหน่วยทหารเกราะหนังหน่วยทหารทาต เพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกมีความเพียรเหมือนกองทัพย่อมละอกุศลเจริญกุศลและทมที่มีโทษเจริญทมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยสาวกประกอบด้วยสัจธรรมประการที่5นี้ 6. อริยสาวกเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติปัญญาเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานได้เปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีทหารยามฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาคอยกันคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าไปให้คนที่รู้จักเข้าไปเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีสติเหมือนทหารยามย่อมละอกุศลเจริญกุศลละทำที่มีโทษ เจริญธรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยสาวกประกอบด้วยสัวธรรมประการที่หกนี้ 7. อริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชําแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีกำแพงสูงและกว้าง พร้อมด้วยป้อมก่ออีกถือปูนดีเพื่อคุ้มกันภัยภายในและป้องกันอันตรายภายนอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกถึงพร้อมด้วยปัญญาเหมือนป้อมที่ก่ออีกถือปูนดีย่อมละอกุศลเจริญกุศลและทำที่มีโทษเจริญทำที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์อริยสาวกประกอบด้วยสัจธรรมประการที่เจ็ดนี้ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกประกอบด้วยสัตยธรรมเจ็ประการนี้ฌานสีประการอันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่อริยสาวกได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากอะไรบ้างคือ 1. อริยสาวกส ง, งัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัว เพื่อความอยู่ภาสุขของตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมหญ้าไม้และน้ําไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่ภาสุขของประชาชนภายในและเพื่อป้องกันอันตรายภายนอก 2. อ, อริยสาวกเพราะวิตกวิจารณ์สงบระงงาไปบรรลุทุติยชาญละถึง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 และถึงเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่พาสุขของตนเพื่อก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนปัจจันตนครของพระราชามีการสะสมอปรรนชติคืองาถั่วเขียวถั่วทองไว้มากเพื่อความอุ่นใจเพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่พาสุขของประชาชนภายในและป้องกันอันตรายภายนอก 4. อริยสาวก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 เพื่อความไม่สะดุ้งกลัวเพื่อความอยู่พาสุก ข, ของประชาชนภายในและป้องกันอันตรายภายนอกชาญสี่ประการนี้อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่อริสาวกได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุทั้งหลายในการใดแหลอริสาวกประกอบด้วยสัตธรรมเจประการนี้และได้ชาญสี่ประการ มันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนี้ตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราจึงเรียกอริยสาวกนี้ว่ามานมีบาปก็ทำอะไรไม่ได้นักรรมมะสูที่สามจบ